สายของวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าขุนพระเทพสิท ธ, ธินายกเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางมายังวัดหนองโพเพื่อนามาส ก, การหลวงพ่อเดิมเจ้าคณะจังหวัดรูปนี้มีนามเดิมว่าห้องคนทั่วไปเรียกว่ามหาห้องเพราะท่านจบป ร, ริญญาธรรมเ็ประโยคมหาห้องเคยบวชอยู่ที่วัดหนองโพเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมมาก่อนครั้นได้เป็นเจ้าคณะจังหวัด ก็ไม่ได้ลืมครูบาอาจารย์เมื่อว่างจากสมณกิจก็จะมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอเสมอมีพระจากวัดพรมบุรีมาให้ฉันศึกฉันดูหน้าเขาแล้วก็รู้ว่าศึกไม่ได้ดวงจะต้องบวชไปจนตลอดชีวิตถ้ายังไงก็ขอฝากเจ้าคุณช่วยดูแลให้ด้วย ลุงพ่อเดิมพูดฝากฝังสิทธิ์ใหม่ไว้กับสิทธิ์เก่าหรือครับเข้ามาอยู่กับลงพ่อตั้งแต่เมื่อไรครับตั้งแต่ออกพรรษาใหม่ๆอยู่มาสองเดือนแล้วคุณเชื่อไหมเข้ามาหาฉันที่กุฏิทุกวันรบเราจะขอศึกให้ได้แล้วลุงพ่อทำยังไงครับ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 เพราะเขาอยากสึกตอนเริกใหม่ดีพอมาไม้นี้ก็เลยเมกกลาสึกเพราะโยมยายสั่งมาว่าหายใจไม่ดีอย่าสึกเขาอยากได้คาถาทำให้ผู้หญิงรักฉันก็ให้คาถาไปทองตั้งแต่ครั้งละหนึ่งประโยคจนถึงหนึ่งหน้ากระดาษครั้นมัววุ่นอยู่กับการท่องคาถา เลยลืมเรื่องสึกไปได้สมภารวัดหนองโพเล่ายิ้มยิ้มทำไมลุงพ่อไม่ให้เขาเรียนวิชาต่างๆจากลุงพ่อละครับอย่างที่ผมเคยเรียนเจ้าคณะจังหวัดถามฉันก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ต้องรอเวลาให้จิตเข้าสงบลงมากกว่านี้ ถ้าไม่ว้าวุ่นกับการอยากศึกก็จะเรียนได้สามเดือนไปแล้วนันแหละจึงจะสงบเยือกเย็นขึนแล้วฉันจะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีให้แกเขารวมทั้งตำราพิชัยสงครามและคตีศาสตร์ที่ผมเคยขอเรียนด้วยหรือเปล่าครับภิกษุวัย75หอยากรู้ ถูกแล้วเขาเหมาะสมที่จะเรียนวิชาทีวานี้ขาโชคดีนะครับมาอยู่ได้ไม่เท่าไรลงพ่อก็จะถ่ายทอดวิชาให้ส่วนผมอยู่กับลงพ่อมานานขอเรียนตำราพิชัยสงครามกับคชศาสตร์ลงพ่อไม่ยอมสอนให้พูดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจ ไม่ใช่แต่เจ้าคุณเท่านั้นที่ฉั้นไม่สอนสองวิชานี้ให้แม่ลูกหลานชั้นฉันฉ้นก็ไม่สอนผู้จะเรียนได้มีคนเดียวเท่านั้นพระเจริญจะเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่ฉั้นจะสอนให้ อาจารย์วัยร้อยสามบอกลูกศิษย์วัยเจ็สิห้าเพราะอะไรหรือครับทำไมคนอื่นจึงเรียนไม่ได้เพราะกรรมนะสิเจ้าคุณเคยศึกษาพุทธประวัติมาแล้วไม่ใช่หรือเหตุใดพระพุทธเจา้าจึงทรงประธานตำแหน่งอัครส า, าวกให้กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทำไม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 ที่จะได้เรียนสองวิชานี้มาส่วนผมไม่ได้สร้างมาอย่างนั้นใช่ไหมครับผู้เป็นสิทธามปลูกแล้วทีนี้เจ้าคุณเข้าใจหรื อ, อยังล่ะวะ่าเหตุใดฉันจึงไม่ซ้อนเจ้าคุณหรือคนอื่นๆเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อผมหายคลั่งคลงใจแล้วเจ้าคุณมาหาตอบ ดีแล้วเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เดฉันจะได้ไม่ต้องอธิบายมากเอาละ่ะประเดี๋ยวจะให้เนนเวาไปตามเข้ามาพบอยากให้รู้จักกันไว้ตั้งแต่วันนี้เพื่อวันข้างหน้าจะได้พึ่งพาอาศัยกันและกันท่านบอกเนนเวลซึ่งนั่งคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆ สมณี น, น, นลุกเดินออกไปยังกุฏิที่พระเจริญพักภิกษุวัยกราบหลวงพ่อเดิมก่อนแล้วจึงกราบภิกษุอาคันตุกะที่เนนเวาบอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณมหาห้องมองผู้อ่อนวัยกว่าอย่างพินิจพิจารณาคิดในใจว่าบุคคลผู้นี้คงจะมีวาสนาบารมีต่อไปในภายภาคหน้า หาไม่แล้วพระอาจารย์ก็คงจะไม่เลือกสรรให้เป็นผู้รับมรดกคือตำราพิชัยสงครามกับคตศาสตร์ที่ท่านหวงแหนและไม่เคยถ่ายทอดให้กับผู้ใดมาก่อนเธอชื่อจเจริญมาจากวัดพรมบรีใช่ไหมท่านถามภิกษุหนุ่มขอรับกระผมจะมาขอให้หลวงพ่อท่านศึกให้ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ไดีศึกพระเจริญตอบพลางปลายตาไปทางหลวงพ่อเดิมเหมือนจะต่อว่าต่อขานเจ้าคุณวัย75เห็นอากับกิริยาของภิกษุอายุคราวหลานก็เข้าใจดูท่าทางเขาอยากครองเพศคารวาสเสเหลือเกินนี่ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้ศึกจะโมโหโกรธหาสักเพียงใดหนอ เธออยากศึกมากนักหรือพระเจริญตอบไปตามจริงว่าเมื่อก่อนอยากมากขอรับแต่เดี๋ยวนี้กระผมรู้สึกเฉยเฉยศึกหรือไม่ศึกก็ได้ขอรับหลวงพ่อท่านทำให้กระผมผิดหวังซะจนชาชินคงไม่คิดไม่หวังอะไรอีกแล้วขอรับอดไม่ได้ที่จะพูดประชดประชันภิกษุสูงวัยเอาละ ฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่างเธอตอบฉันมาตามตรงนะห้ามบิดพริยวิุหนุ่มนิ่งไม่ยอมตกปากรับคำดวยกริงว่าเรื่องที่เจ้าคุณมหาห้องจะถามเป็นสิ่งที่ตนไม่ต้องการตอบว่ายังไงละ่ะทำไมไม่ตอบผู้สูงวัยกว่าถามย้ากระผมกริงว่าจะตอบไม่ได้ขอรับตอบได้แน่ เรื่องนี้เธอตอบได้ฉันรับรองเช่นนั้นถ้าตอบได้แต่ทําให้กระผมไม่สบายใจที่จะตอบขอพระเดชพระคุณอนุญาตให้กระผมไม่ตอบนัขอรับพระนมต่อรองโอ้โหเธอพูดจาวกวนจนฉันชักจะงงเอาละเอาละเป็นอันว่าท่านอนุญาตอนุญาตให้ไม่ตอบฟังดูพิลึกพิลึกนะเจ้าคุณพูดยิ้มยิ้ม ถ้าเช่นนั้นนิมนต์พระเดชพระคุณถามได้ขอรับฉันจะถามอะไรเธอนะดูสิหมู่พูดวกวนจนลืมเรื่องที่จะถามเจ้าคณะจังหวัดพูดคล้ายบน่นพระเจริญตอบซื่ อ, อ, อว่ากระผมก็ไม่ทราบขอรับว่าพระเดชพระคุณจะถามเรื่องอะไรจําได้แต่ที่ถามแล้วเช่นคําถามแรกพระเดชพระคุณถามว่าเธอชื่อจเจริญมาจากวัดพรมบุรีใช่ไหม คำถามต่อมาคือเธออยากศึกมากนักหรือและคำถามสุดท้ายฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่างเธอตอบฉันมาตามตรงนะห้ามบิบ ป, ปริวขอรับพระหนุ่มพูดซื่ อ, อเจ้าคุณวัยเจ็ห้าชอบอกชอบใจหันไปบอกหลวงพ่อเดิมซึ่งกำลังเป่าเพียเพ้ยงดีเพี้ยงดีให้กับญาติโยมว่าหลวงพ่อครับลูกศิษย์หลวงพ่อคนนี้เจ้าจริง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 พระเดชพระคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ขอรับอ้าวก็หนเธอว่าไม่ทราบไงล่ะคือกระผมไม่ทราบมาก่อนขอรับแล้วก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่สัมมนเนนบอกกระผมจะจริงหรือเท็จ ด, ดีเธอฉลาดรอบคอบดีที่ไม่เชื่ออะไรใครง่ายๆแบบนี้เขาเรียกว่าคนสอนง่ายเธอจำไว้นะอีกหน่อยถ้าเธอไปเป็นครูบาอาจารย์เขา เธอจะต้องเรียนรู้ซะ ก, ก่อนว่าลูกศิษย์คนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากวิธีทดสอบไม่ยากเลยเธออยากรู้ไหมละ่ะไม่อยากขอรับเพราะกระผมไม่คิดจะไปเป็นครูบาอาจารย์ใครร้าหนุ่มตอบซื่อๆอีกแต่คนฉลาดเขาจะไม่ปฏิเสธนะผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนเจ้าคุณตำหนิไกล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 ดูอย่างไรขอรับเจ้าคุณมหาจึงย้อนถามอย่างนึกสนุกว่าอา้าวก่อนในเมื่อกี้เธอบอกไม่อยากรู้ไงละ่ะเมื่อกี้ไม่อยากรู้แต่เดี๋ยวนี้อยากแล้วขอรับภิกษุวัยยีอตอบอย่างไม่ติดขัดทำไมเปลี่ยนใจง่ายนักละ่ะเจ้าคุณแซงยั่วกระผมอยากเป็นคนฉลาดขอรับพระเดชพระคุณสอนกระผมเมื่อตะกี้ว่า คนฉลาดเขาจะไม่ปฏิเสธผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนหลวงพ่อท่านก็สอนอย่างนี้ขอรับเอาละเอาละ่ะคืนพูดมาประเดี๋ยวฉันก็นลืมกันพอดีฉันกําลังจะบอกเธอว่าวิธีดูว่าคนไหนสอนง่ายคนไหนสอนอยากให้ดูที่ความเชื่อของเขาถ้าใครเชื่อง่ายคนนั้นสอนอยากแต่ถ้าใครเชื่อยากคนนั้นสอนง่ายจําเอาไว้ขอรับ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 คำที่ฉันพูดเป็นอย่างไรหรืออันนี้กระผมขออนุญาตไม่ตอบขอรับและเมื่อตกี้พระเดชพระคุณก็อนุญาตแล้วภิกษุหนุ่มไม่อยากเรียนท่านตามตรงว่าการที่ท่านพูดชั้นเธอนั้นแสดงถึงการแบ่งฐานะระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองผิดกับลุงพ่อเดิมซึ่งท่านจะใช้ชั้นคุณอันแสดงถึงความเท่าเทียมกัน ครั้นจะบอกเจ้าคณะจังหวัดไปตามตรงเช่นนี้ก็เกรงว่าท่านจะโกรธเอาละ่ะเอาละ่ะเป็นอันว่าเธอพิจารณาได้รอบคอบและถูกต้องทุกอย่างทีนี้ท่านก็จะถามเธออย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเคารพหลวงพ่อเดิมไหมเคารพมากขอรับพระเจริญตอบจากใจจริงดีเธอตอบตรงไปตรงมาดีฉันกําลังจะบอกเธอว่า ที่ฉันได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ก็เพราะหลวงพ่อเดิมท่านปลุกปั้นฉันขึ้นมาฉันได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ด้วยบรารมีของท่านรเร่รำรินวิชาการต่างๆจากท่านมากมายยกเว้นสองวิชาคือตำราพิชัยสงครามกับคชิศาสตร์เพราะท่านมียอมสอนให้ใครนอกจากลูกศิษย์ที่ท่านเลือกสรรซึ่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและเธอคือคนที่ท่านเลือกสรรแล้ว ทำไมพระเดชพระคุณจึงคิดว่ากระผมเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเลือกสรรเรกขอรับถามประสาซื่อก็ท่านบอกฉันนะสิเธอรู้ไว้ด้วยว่าวิชาสองอย่างนี้ท่านหวงแหนมากเคยมีพระและเครือหัดมาขอรินจากท่านเป็นร้อยๆรายแต่ท่านไม่ยอมสอนให้ใครสักคนขนาดฉันซึ่งเป็นลูกศิษย์กนกติของท่านก็ยังไม่ได้เรียนเธอโชคดีมากรู้ไหม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 ที่คนที่เขาอยากเรียนท่านกลับไม่สอนให้เหมือนจะรู้ใจภิกษุหนุ่มหลวงพ่อเดิมหันหน้ามาทางลูกศิษย์ทั้งสองพูดขึ้นลอยๆว่าที่อยากมักไม่ได้ที่ได้มักไม่ยากพูดจบก็หันกลับไปเป่าเพียงดีเพียงดีให้ญาติโยมอีกพระเจริญหันไปมองภิกษุชรา แล้วพูดกับเจ้าคุณมหาห้องว่าพระเดชพระคุณขอรับกระผมรู้สึกสงสารหลวงพ่อเหลือเกินท่านอายุปูนนี้แล้วยังต้องลำบากตรากตรามานั่งเสกนั่งเป่าให้ญาติโยมทุกวันกระผมอยากให้ท่านได้พักผ่อนบ้างทําอย่างไรจะให้ท่านหยุดกิจวัตรที่ทาอยู่นี้ขอรับหลวงพ่อเดิมหันมาตอบเสียเองว่าไม่ต้องห่วงชั้นหรอก ตายเมื่อไรท่านก็หยุดเมื่อนั้นยังมีลมหายใจก็ต้องทํหนาที่ต่อไปจะทํายังไงได้ในเมื่อยากยมเขาต้องการอย่างนี้จริงไม่โยมท่านถามศรีกาไว่สี่สิบเศษที่เช่านางกวากมาให้ท่านเสกเป่าจริงจ้ะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ใครๆก็อยากมาหาญาติๆฉันเข้ามาเช่านางกวักที่นี่แล้วทำมาค้าขึ้นเงินไหลนองทองไหลมาฉันก็เลยมาเช่าบ้างหล่อนพูดชอดๆโยมมาจากไหนละ่ะมาจากหาดเซียวจังหวัดอุตรดิต์จ้ะหลวงพ่อเคยไปไหมจ๊ะหล่อนถือโอกาสชวนคุยสตรีวัยเดียวกันที่รอคิวอยู่นั่งค้อนประหลับประเลือกเพราะรอนาน ไม่เคยเอาล่ะทันเป่าให้แล้วให้คนอื่นๆเข้ามาบางวนได้เวลาเพลงแล้วนั่นแหละหล่อนจึงคลานออกไปด้วยใบหน้าอิ่มเอิบที่ได้คุยกับหลวงพ่อเดิมวันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนพระเจริญมาอยู่วัดหนองโพครรบสามเดือนพอดี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 พระหนุ่มทวงถามขณะทาหน้าที่นวดให้ภิกษุชาราท่านคิดว่าหลวงพ่อเดิมคงจะให้คาถามหาสเสน่ห์หรือคาถามหาลาภที่ทำให้ร่ำรวยสวยดีมีสาวสาวมารุมตอมจึงตั้งอกตั้งใจฟังคำตอบครบสามเดือนแล้วหรือเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเลือเกิน สมภารวัดหนองโพปรารบหลวงพ่อจะบอกอะไรกับผมครับพระหนุ่มทวงอีกจะบอกวิชารับสุดยอดให้คุณน่ะสิแต่มีข้อแม่ว่าคุณจะต้องได้กระสินเสก่อนถึงจะรับได้ทำไมต้องได้กระสินก่อนครับพระเจริญถามภิกษุสูงวัย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 คนที่บอกคุณว่าถ้าทำได้ทำอะไรได้หมดนะจำได้ไหมจำได้ขรับแกนั่งท่องนโมพุทธายะปลุกพระให้นั่งได้แกว่าเรียนมาจากหลวงตาตายแต่พอมหาทองบอกให้เปลี่ยนเป็นนโมพุทธายะพระกลับไม่ลุกนั่งนั่นแหละท่านกําลังจะบอกคุณว่า คุณจะต้องทำให้ได้เมื่อเ น, นรูปนั้นคือทำจิตให้ตั้งมันเป็นอัปปนาสมาธิก่อนแล้วฉันจะบอกวิชาให้วิชาอะไรครับหลวงพ่อถามอย่างกระตือรือรน้นตำราพิชัยสงครามกับคดาศาสตร์ พระหนุ่มทําหน้าที่ผิดหวังแล้ ว, ว่าอีกแล้วหลวงพ่อเลือกสรรคนอื่นแทนผมไม่ได้หรือครับผมอยากได้วิชาทําให้รวยกับให้ผู้หญิงรักเท่า น, นั้นท่านต่อรองเรื่องนั้นง่ายมากถ้าเธอได้กระสินรับรองอย่างอื่นดายหมดหลวงพ่อเดิมจําต้องใช้กุสโลบายหรือครับถ้าเช่นนั้น